คู่มือมนุษย์เรื่องลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวงหรือไตรลักษณ์บทนี้จะกล่าวถึงข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบอยู่ด้วยลักษณะอันเรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการกล่าวคือความเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาอนิจจงแปลว่าไม่เที่ยง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 ก็เพราะความไม่รู้อย่างถูกต้องนั่นเองขอให้ทราบว่าลักษณะสามัญสามประการนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากกว่าคำสอนอื่นๆในบรรดาคำสอนทั้งหลายจะนำมารวบยอดอยู่ที่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งนั้นบางทีก็กล่าวตรงๆบางทีก็พูดด้วยโวหารอย่างอื่น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 มีอำนาจเพียงพอที่จะคุ้มครองคนเราไม่ให้ตกไปเป็นทาสของกิเลสหรือของอารมณ์ทุกชนิดบุคคลชนิดนี้ไม่สามารถทําความชั่วต่อไปไม่หลงไหลพวพันติดอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเอ็เอียงไปตามสิ่งยั่วใจใดๆเขาย่อมมีจิตใจเป็นอิสระอยู่เสมอและไม่มีความทุกข์เลยที่ว่า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 ข้อนี้หมายความว่าพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นว่าการเอาการเป็นนั้นเป็นเรื่องสมมุติอย่างโลกโลกอย่างหนึ่งและเป็นไปด้วยอำนาจของความไม่รู้หรืออวิชชานั่นเองเพราะเมื่อพูดกันตามความจริงขั้นที่เด็ดขาดถึงที่สุดซึ่งเรียกว่าขั้นปรมัติ์แล้วคนเราจะเอาอะไรเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่า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 ก็ต้องดิ้นรนทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจนกว่าจะได้ผลตรงตามที่อยากเมื่อทำลงไปมันก็ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งวนเวียนเป็นวงกลมของกิเลสการกระทำผลวิบากอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัตะสงสารคำว่าวัตตะสงสารนั้นอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่า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 เลยส่งเสริมความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าวัฏฏะหรือวัตฏะสงสารเพราะเป็นวงกลมที่เวียนวนไม่มีที่สิ้นสุดลงได้คนเราต้องทนทุบทรมานก็เพราะติดอยู่ในวงกลมนี้เองถ้าใครหลุดออกไปจากวงกลมนี้ได้ก็เป็นอันว่าพ้นไปจากความทุกข์ทุกอย่างโดยแน่นอน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 สมดังที่พระพุทธเจ้าท่านจัดความอยากไว้ในเรื่องอริยศาสตร์ข้อที่สองในฐานะเป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆโดยตรงความอยากมีอยู่สามอย่างอย่างแรกเรียกว่ากามตันหาอยากในสิ่งน่ารักใคร่พอใจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ได้ อย่างที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาคือความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนอยากจะเป็นอย่างที่สามเรียกว่า ว, วิภวะตัณหาคือความอยากไม่ให้มีอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้หลักเกณฑ์ข้อนี้กล้าท้าให้ใครๆพิสูจน์หรือแย้งอย่างไรก็ได้ว่ายังมีความอยากอะไรอีกบ้าง นอกเหนือไปกว่าสามอย่างที่กล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจะมองเห็นว่าเมื่อมีความอยากที่ไหนก็มีความทุกข์ร้อนใจที่นั่นและเมื่อต้องกระทำตา ม, ตามความอยากก็ยอมมีความทุกข์ตามส่วนของการกระทำได้ผลมาแล้วก็หยุดอยากไม่ได้คงอยากต่อไปต้องมีความร้อนใจต่อไปอีกเพราะยังไม่เป็นอิสระจากความอยาก ยังต้องเป็นธาตุของความอยากด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าคนชั่วทำชั่วเพราะอยากทำชั่วมันก็มีความทุกข์ไปตามประสาคนชั่วคนดีอยากทำดีตามประสาของคนดีแต่ข้อนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นการสั่งสอนให้เลิกละจากการทำความดีเพราะในที่นี้ ประสงค์จะชี้ให้เห็นว่าความทุกนั้นมีอยู่หลายระดับละเอียดจนคนธรรมดาเข้าใจไม่ได้ต้องพึ่งผาอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าซึ่งชี้ให้เห็นว่าเราจะพ้นจากความทุกโดยสิ้นเชิงด้วยลำพังเพียงการกระทำความดีอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่พ อ, อยังจะต้องทำบางสิ่งที่ยิ่งหรือเหนือไปจากการทำความดี ซึ่งได้แก่การทำจิตให้หลุดพ้นไปจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของความอยากทุกชนิดนั่นเอง